ก็เหมือนหลวงพ่ออธิบายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจนจบคนะถ้าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งก็จะเป็นหนังสือพกพาเล่มเล็กๆนะ <c oughs> สามารถอ่านได้บ น, บนถนนเวลารถติดนะคะข้างบนนะคะเออเป็น เป็นลิงก์นะคะของหลวงพ่อนะคะใน youtube ก็สามารถกับไปลอง Subscribe กันได้นะคะแล้วก็มีคลิปเยอะมากเลยนะคะในแต่ละหัวข้อถ้าเกิดว่าลองฟังดูนะคะอย่างหัวข้อนี้ดีมากๆเลยคืออะไรอะไรมีอยู่ที่ใจแต่ใจไม่เป็นอะไรนะคะก็ลองฟังหลายๆครั้งอย่างล่าสุดเนี่ยหลวงพ่ อ, อ, อรู้สึกว่าจะมีอันหนึ่งที่เป็นรู้เกี่ยวกับเรื่องรู้นะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีบทพูดอะไรเลยนะคะแล้วก็ ให้รู้แบบกว้างๆนะคะรู้สึกว่าจะมีล่าสุดไม่ไม่ขี่วันมานเนี้ยนะคะเดี๋ยวหนูน้องแปะให้อีกทีอีกสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าให้มองถึงแม้ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตนะคะธรรมดาแต่ว่าให้เรากลับมาเห็นผู้รู้ในของเราเนะะี่ยค่ะให้มาอยู่กับเราให้มีสติเนะะี่ยค่ะกลับมาถึงตัตวเราแต่ว่าเราก็ยังทําเราก็ยังเห็นเราก็ยังเป็น อยู่ทุกวันนี้เหมือนกันลองไปดูคลิปนี้ค่ะบางคนเนี่ยดูรอบเดียวเนี่ยไม่เข้าใจนะคะก็ดูสองรอบค่ะนะคะแต่ไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเอาตัวเราไปนั่งดูอย่างนั้นไม่ไม่ใช่นะคะลองดูเหมือนกับกลับทอยหลังออกมาแล้วก็ลองดูค่ะนะคะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพินพ์ลิงก์เอาไว้นะคะทีนี้เนาะเออมีขึ้นตรงนี้ก็ดีเดี๋ยวจะหลวงพ่อก็จะชี้บอกเพื่อให้เห็นภาพเนาะที่บอกว่า S <S> อะไรอะไรมีอยู่ที่ใจแต่ใจไม่เป็นอะไรอะนะ <S <S> <S ออคืออย่างนี้คือสิ่งพวกเนี้ที่อธิบายได้เนี่ยคือมันจะต้องเห็นต้องเห็นมาก่อนแล้วก็เอามาเล่าออกมาบอกะ <S <S ทีนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องของเอาเป็นความโกรธก่อนแล้วกันเนาะสักสมมติเรื่องเดียวพอความโกรธทุกคนก็เคยเคยผ่านมาแล้วแหละ ว, ว่าความโกรธมีแต่ตอนเนี้เดี๋ยวนี้เราก็ประจักษ์อยู่แก่ใจว่าตอนเนี้ยความโกรธที่เคยมีมันไม่มีแล้วนะ ทีนี้หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าอเดิมเนี่ยปกติเลยเนี่ยปกติเนี่ยความโกรธมันมันไม่มีก็คือจะอยู่ในสภาพแบบเนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาพปกติแต่เวลามันโกรธอ่ะก็เท่ากับว่าความโกรธได้เกิดขึ้นแล้วนะถูกไหมความโกรธได้เกิดขึ้นแล้วอืมแต่ทีนี้เอาละมันจะโกรธนานหรือโกรธไม่นานก็ตามใจแต่ว่าถือว่าโกรธแล้วแต่ท้ายสุดความโกรธเนี้ยจะต้องดับหายไป มันดับหายไปโดยตัวมันเองลองดูสิว่าเวลาโกรธนะถ้าสมมติเราไปแทกแซงเราสั่งหรือว่าเราบังคับเนี่ยบอกว่าหายโกรธหายโกรธกูไม่ชอบมึงให้หายเดี๋ยวเนีมน้มันสั่งไม่ได้นะก็แปลว่าเวลามันเกิดมันก็เกิดเองแล้วเวลามันดับมันก็ดับเองโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะไปสั่งหรือไปจัดการกับความโกรธไดนะ้ตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นถึง ความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วและก็ดับแล้วอ่าทีนี้เรามามองจุดตัดนะจุดตัดระหว่างว่าเรามองดูดูอ่าดูดีๆซิว่าเดิมอ่ะเนี่ยตอนนี้มันไม่มีโกรธไงแล้วความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยลองมองเห็นสิ่งสองสิ่งได้หรือยังว่าสิ่งหนึ่งเป็นความโกรธแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีความโกรธแต่สิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็คืออะไรอ่ะหลวงพ่อก็สม นั้นขึ้นมาว่าถ้ามันเป็นในใจเนาะพรอความโกรธมันเกิดที่ไหนพวกเราก็พอเข้าใจได้ว่ามันเกิดที่ใจนะมันไม่ได้เกิดกลางอากาศหรือไม่ได้เกิดบนหัวไม่ได้เกิดที่มือที่แขนภาษาที่เราใช้สมมติเขาบอกว่ามันเกิดที่ใจอนะ่าก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าใจเนี่ยมันเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วเป็นพื้นคําว่าเป็นพื้นคือเป็นความว่างก็ได้อ่าถ้าใช้คําว่าความว่างยมน่าจะเข้าใจเนาะ หมายความว่าใจเนี ja, se, ่ยมันมีมันมีความเป็นความว่างที apples, <Yeah. S 2> ่ม en. enfin ีอยู่แล้วจะโกรธหรือไม่โกรธแต่ความว่างของใจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นเพราะว่าความว่างของใจเนี่ยมันมันไม่ใช่อากาศมันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยแต่มันเป็นความไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏเพราะถ้าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความว่างของใจ ทีนี้โยมต้องต้องจับหลักให้แม่นเลยว่าความว่างของใจอ่ะคือคือเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ถ้าสิ่งใดปรากฏในความว่างของใจนั้นอันนั้นอ่ะไม่ใช่ใจอ่าพอแยกได้อย่างนี้เสร็จแล้วลองพิจารณาเรื่องความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดเกิดเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากความว่างความว่างอันนั้นเขาเรียกว่าใจ เพราะนั้นตรงนี้จะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิดดับแต่ความว่างของใจเป็นความไม่เกิดเป็นความไม่ดับนะพอเห็นภาพอย่างนี้มันก็ทำให้เข้าใจเลยว่าเอ้าเออทั้งนั้นใจมันมีอยู่แล้วเนี่ยใจมันมันมีอยู่แล้วมันเกิดมาเนี่ยมันต้องมีมีความว่างในใจอยู่แล้วก็ความโกรธเป็นแค่ครั้งขราวจรมาแล้วก็จรไปนะแล้วมาทีไรแล้วก็ไปทุกทีแต่ ใจทั้งเป็นความว่างไม่มาและก็ไม่ไปเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีลักษณะที่ต้องมาและไม่มีลักษณะที่ต้องไปก็เป็นสภาพว่างอย่างเดียวนะแต่แค่นี้มันไม่พอมันยังไม่พอมันยังมีอีกความว่างของใจอ่ะโอเคเราเข้าใจได้นะนะว่าใจเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏแต่ความว่างของใจเนี่ยใจเนี่ยมันมีความรู้นี่สำคัญใจเนี่ยมันมีความรู้รู้อะไรบ้าง ก็รู้ว่าอะไรที่เกิดในใจอ่ะใจรู้หมดก็ความโกรธไงความโกรธเกิดขึ้นเวลารู้คืออะไรล่ะก็ใจนั่นแหละรู้มันไม่ใช่กายไปรู้ไม่ใช่ความคิดไปรู้ไม่ใช่ความรู้สึกเป็นถูกเป็นทุกไปรู้มีใจดวงมีจะเรียกเป็นดวงก็ไม่ได้เพราะใจเป็นความไม่ปรากฏอะไรแต่ใจเป็นเขาเรียกว่าใจมีความรู้ก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นในใจใจรู้ความโกรธเกิดขึ้นใจก็รู้ ความโกรธมีอยู่ใจก็รู้ความโกรธหายไปแล้วใจก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเข้าใจง่ายว่าอ๋อที่แท้แล้วนี่เนาะความนี่หลวงพ่อพูดถึงความทุกข์กับความไม่ทุกข์ความทุกข์คือความโกรธเป็นสิ่งที่มีแล้วหมดไปนะแต่ใจเป็นความไม่มีและก็ไม่หมดนะเป็นความไม่ปรากฏใจนั่นแหละเป็นความที่ไม่เคยมีทุกข์เลยไม่เคยมีอะไรเลย ใจไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขพูดอย่างนี้ไม่ถูกมั้งใจไม่เคยเป็นทุกข์ใจไม่เคยเป็นสุขเพราะอะไรถ้าถ้ามีทุกข์ในใจอันนั้นไม่ใช่ใจถ้ามีสุขในใจสุขก็ไม่ใช่ใจเพราะฉะนั้นสุขทุกข์มีอยู่ที่ใจแต่ใจไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ใจได้แต่รู้แจ้งนะแล้วใจมันก็ไม่เคยไปหลงยึด ทุกยึดสุกมาเป็นของตนของตัวเพราะใจมันยึดอะไรไม่ได้มันไม่มีเครื่องมือที่จะยึดมีอย่างเดียวคือรู้แต่พื้นแต่พือไปที่เขาบอกว่ารู้ด้วยใจเนี่ยตรงนี้เองหรือว่ารู้ซื่ อ, อคําว่ารู้ซื่อๆก็คือรู้ด้วยใจรู้อย่างตรงไปตรงมาอะไรเกิดขึ้นที่ใจใจรู้อย่างซื่อใจไม่ได้เป็นอะไรทั้งอย่างเดียวถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยโยมก็อย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ เพราะว่ามันเกิดเองดับเองแล้วก็ใจมันก็รู้ของมันเองนะไม่ต้องทําอะไรแล้วจริงๆตัวเราก็ไม่มนะีถ้าพูดถึงสิ่งที่เกิดในใจกับใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราเราไม่มีไม่มีเรานะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงว่าไอ้สิ่งที่เกิดดับในใจมีอยู่ ขันห้ายังไม่แตกยังไม่ตายมันต้องมีมีความรู้สึกอ่ะอันนี้ขยายไปแล้วนะไม่ใช่แค่โกรธอย่างเดียวก็ทุกอย่างที่เกิดในใจนะความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกลังเลสงสัยความรู้สึกง ง, งๆความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงความรู้สึกอะไรอ่ะเยอะแยะสารพัดที่เกิดในใจอนะ่ะอันนั้นแหละสิ่งที่เกิดไม่ใช่ใจแต่ใจไม่ได้เกิดมาได้แต่รู้ถ้าโยมจับหลักอย่างเนี้ยแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ ให้ใจมันทําหน้าที่รู้ของมันนั่นแหละโยมจะลองสั่งว่าเฮ้ยใจแกอย่ารู้นะเวลาโกรธนะสั่งไม่ได้เพราะนั้นใจมันได้แต่รู้แต่พื้นตับคือไปเนี่ยเพราะนั้นถ้าเข้าใจตรงเนี้แล้วโยมก็สามารถที่เขาเรียกว่าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าปฏิบัติเนี่ยต้องให้ให้คือไม่มีอะไรเกิดในใจเลยคือให้เรียบเหมือนกับน้ําไม่มีคลื่นเอ่อไม่มีลมพัดอะเรียบมันเป็นไปได้ไงอะ เพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเนาะไอความที่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจเลยโยมลองจินตนาการดูเลยแล้วชีวิตมันจะอยู่กันยังไงอะอยู่ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกเลยคิดก็ไม่เป็นความรู้สึกก็ไม่มีเพราะมันไม่มีมันไม่มีก็เรียกว่ามันเรียบอ่ะไม่มีไม่ไม่มีอะไรปรากฏในใจอะคิดไม่เป็นแน่นอนอ่าแล้วก็รู้สึกไม่ได้เลยแล้วก็ จะแก้ปัญหาชีวิตก็ไม่ได้เพราะนั้นอ่ะที่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนีน้มันเป็นธรรมชาติแต่เราเองอ่ะกิเลสตัณหาเนี่ยด้วยความมีตัวเราเนี่ยก็เลยไปชอบมันบ้างไม่ชอบมันบ้างเนี่ยแต่ถ้าไม่มีตัวเรามันก็มีแค่สิ่งนั้นแหละมันทำงานกันกันเองนะเพราะนั้นเริ่มต้นที่เรามาฝึกสติก็เพื่ออะไรหรอกก็เพื่อให้ให้ใจเนี่ยมันมีสติเสียก่อนเพราะเดิมอ่ะใจอ่ะมัน คือใจมันว่างอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันตื่นมันตื่นรู้ไม่เป็นมันตื่นรู้ไม่เป็นเพราะว่ามันยังไม่มีตัวช่วยก็เลยฝึกสตินะฝึกสติฝึกสติคือฝึกใจเนี่ยให้มีสติวิธีฝึกก็คือเอาสิ่งที่เกิดในใจนั่นแหละมารู้เสีพอโกรธก็อ่าฝึกรู้ไปก่อนโกรธรู้แล้วพอหายโกรธรู้แล้วพอเอ่อเอ่อมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจเช่นมีความสุขรู้แล้วมีความทุกรู้แล้ว ก็ฝึกรู้แบบนี้ฝึกรู้แบบนี้รู้ไปรู้มามันก็เดี๋ยวมันก็เข้าใจกันเองเออสุดท้ายอ๋อมึงเกิดมาก็ให้กูรู้คือหมายถึงว่าใจอะเนาะนี่หลวงพ่อพูดแทงเนี่ยอ๋อมึงเกิดมาก็เพียงแค่ให้กูรู้เฉยเยแล้วมึงดับไปก็มึงดับไปก็เพียงแค่ให้กูรู้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นมึงจะเกิดจะจะเกิดจะดับก็กูรู้อย่างเดียวกูไม่เดือดร้อนกับมึงอย่างเนี้ยก็เป็นผู้ดูผู้รู้ไปเลยเนี่ยอืม หลวงพ่อเล่าเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะพอเห็นภาพได้อะเนาะถ้าท่านหนูลองอุ ป, ปมาอุปไม้นะคะเปรียบเสมือนกับอย่างนี้ได้ค่ะสมมติว่าใจเราเนี่ยเปรียบเหมือนจานอะไรก็ได้ค่ะจานหรือชามก็ได้ค่ะนะคะสังเกตจานใบนั้นเนี่ยเราจะใส่อ่าวันนี้เราอาจจะใส่อาหารอย่างหนึงวันรุ่งขึ้นอาจจะใส่อีกอย่างหนึง่งแต่จานก็ไม่เคยจะคือเราทานเสร็จเราก็ต้องล้างนะคะ มันก็ไม่เคยมาเปื้อนว่าต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดเดียวมันก็ไม่ได้มันก็เป็นแค่ภาชนะรองรับไว้แค่นั้นนะคะนะคะมันก็เปลี่ยนไปทุกวันธรรมชาติของมันอาจจะมีวนซ้ากลับมาเหมือนเดิมบ้างก็ได้แต่มันก็ไม่เคยจะกแบบับเข้าไปในในภาชนะนั้นนะคะภาชนะนั้นก็คือเปรบเนี่ยเปรบเปยเหมือนกับจิตของเราเนี่ยค่ะนะค ะ, ะ, คะวันนี้เราอาจจะอ่า สมมติว่าเป็นภาชนะเป็นชามใบหนึ่งอาจจะใส่แกงเขียวหวานมานะคะวันรุ่งขึ้นเราอาจจะกลายเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้วันอีกวันหนึ่งอาจจะเป็นข้าวสวยก็ได้คือมันแล้วแต่ค่ะเราเปรียบมันก็เนี่ยค่ะเราก็ผัดเปลี่ยนมันทุกวันแต่จานนั่นคือแค่ก็าชามนั้นมันไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของแกงเขียวหวานซะหน่อยใช่ไหมมันก็เนี่ยค่ะแค่นั้นเองใช่ใคือเพราะว่าถ้าเข้าใจเนี่ยมันสามารถที่จะเอา เอาอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเรามาอุปมาอุปไมยอะ่ะเพราะบางทีเวลาเราอาธิบายคนอื่นเนาะเขาไม่เข้าใจเนาะเราก็ต้องเลยยกตัวอย่างนี้บ้างตัวอย่างนู้นบ้างอย่างอย่าง <c oughs> ท้องฟ้ากับนกเนี่ยหรือว่าก้อนเมฆ ก, ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็อุปมาได้เนาะ <c oughs> สมมุติว่ า, าท้องฟ้าเปรียบเหมือนใจเนา ะ, ะ <c oughs> ส่วนนกเปรียบเหมือนกับความโกรธอ่ะ <c oughs> คือมันมีธรรมชาติสองสิ่งคือท้องฟ้าสิ่งหนึ่งและก็นกสิ่งหนึ่ง แต่ท้องฟ้าเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละคือท้องฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ก่อนนกมาบินอีกเนาะแต่พอเนกมาบินมันก็บิน บ, บนท้องฟ้าแล้วสุดท้ายนกก็บินผ่านไปอท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่นะแล้วก็ต่อมานกมาใหม่อีก่นะแล้วก็นกก็ไปใหม่ท้องฟ้าก็ยังคงสภาพเป็นท้องฟ้าอยู่ไม่เปลี่ยนไปเออทีเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการปฏิบัตินี่นะคือก็หมายความว่า คนเวลาปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดเนี movie, ่ยเหมือนกับว่าจะปฏิบัติให้นกเนี่ยเป็นท้องฟ้าหรือว่าให้ท้องฟ้าเป็นนกไอ้คือมันจะไ فا กันซึ่งมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ได้เมื่อเป็นท้องฟ้ามันก็เป็นท้องฟ้าเป็นอนันตการไปเลยถ้าเป็นนกมันก็เป็นนกตลอดไปเลยมันจะให้นกเป็นท้องฟ้าก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเราแยกอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเออการปฏิบัติมันก็ง่ายก็คือว่า เออเวลาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในใจเนาะเช่นเคยคิดกันว่าต้องไม่ให้อะไรเกิดในใจคือให้มันนิ่งจริงจริงอ่ะใจอ่ะมันเป็นสภาพที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่เราอ่ะต้องการที่จะไม่ให้อะไรเกิดในใจแต่โดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีสิสิ่งที่เกิดในใจอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่าถ้าใจไม่มีอะไรเกิดเลยอความคิดไม่เกิดเลยแล้วยมจะอยู่กันยังไงอ่ะทํามาหากินก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความคิดเกิดขึ้น หรือถ้าไม่มีความสุขบ้างไม่มีความทุกข์บ้างแล้วมันจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นไอสิ่งฝ่ายเกิดอ่ะมันก็ต้องเกิดเป็นปกตินะแต่ใจอะมันเป็นฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นปกติของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้แยกกันให้ขาดอย่างเนี้ยอย่าอย่าฝ่ายอย่าไปจัดการกับสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งแค่เนี้ยมันก็จะจะก็เรียกว่าก็อยู่อย่างกับเป็นธรรมชาติไปเลย อย่าการอุปมาก็คืออย่างนี้แหละอุปมาเพื่อให้เห็นภาพเนาะจะได้ไม่ปฏิบัติผิดค่ะแล้วก็มีถ้าเปรียบกับเมฆก็ได้นะคะเผื่อใกล้เข้ามาอีกบางคนบอกว่าโอ้นกมันก็เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตยังงั้นเอ่อถ้าเปรียบกับเมฆก็ได้ค่ะเมฆเนี่ยสังเกตวันนี้เราเห็นเมฆเป็นแบบนี้วันรุ่งขึ้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็มันก็อยู่มันก็ยากจากการจับพื้นฟ้าอยู่ดีอะค่ะสังเกตไหมคะ อ่าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปให้เมฆอันนี้มันเป็นทรงแบบนี้แบบที่เราต้องการได้มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันอ่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่ามันจะแบบถึงแม้ว่าเราจะโยนอะไรขึ้นไปบนฟ้ามันก็ไม่เคยถึงสักทีสังเกตไหมคะเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วแค่นั้นเองเนี่ยนะปัญญาจากการฟังเนี่ยก็ไปปรับใช้เอาอะไรเกิดขึ้นในกายก็เหมือนกันมันเกิดก็มันเป็นธรรมชาติไงมันมีได้เกิดอย่างหยิกเนี่ย ตอนนี้ไม่หยิกมันก็ไม่เจ็บใช่ไหมพอหยิกมันก็ต้องเจ็บสิแต่เจ็บแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะมันก็หายเองพอหยุดหยิกใช่ไหม<_ t _ t _?แต่ถ้าหยิกรัวๆมันก็เจ็บเป็นครั้งเป็นครั้งใช่ไหมอืมก็มันมีเหตุมันเหตุปัจจัยเนาะทาให้เกิดแต่นี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยตรงเนี้มันจะพ้นทุกตรงนี้แหละให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หลงยึดถือหรือไป ไปรักไปเกลียดมันนะที่ปฏิบัติเนี่ยคือใจมันไม่เป็นกลางเนาะถ้าอย่างนี้ก็รักมันชอบมันติดใจแต่ถ้าอย่างโน้นไม่รักไม่ชอบทั้งรักทั้งชอบเนี่ยตัวนี้มันทําให้มีปัญหาแต่ถ้าเพียงแต่รู้หัดฝึกรู้ไงละ่ะอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วแต่ถ้ามันชอบขึ้นมาก็รู้ทันว่ามันชอบคือใช้หลักรู้เนี่ยเป็นเป็นใช้หลักรู้เนี่ยเป็นมักไปเลยนะหลักรู้เนี่ยเป็นมักไปเลยหมายความว่ารู้สิ่งใดก็เพียงแต่รู้นะไม่ได้ห้าม สิ่งที่ถูกรู้เลยเมันเหมือนอุ ป, ปมาอย่างนี้เนาะเออตากับใจนะตาเนี่ยเมื่ออะไรกระทบตาเนี่ยตาก็ต้องมองเห็นตาจะเลือกเห็นเฉพาะสิ่งที่ชอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านตาที่มันออกระทบกับตาแล้วก็เกิดการเห็นนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องก็เห็นเขาเรียกว่ายอมรับโดยดีนะ ส่วนทางจิตใจก็เหมือนกันน่ะอะไรที่เกิดในใจใจจะไปหลบไปหลีกว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันรู้ตามที่มันมันต้องรู้ไม่ต้องไปหลบไปหลีกนะก็เหมือนธรรมชาติมันให้ตามาใช่ไหมอ้าวพอให้ตามาเราเริ่มไม่ชอบตาแล้วก็ปิดตาไว้ทั้งทั้งตั้งแต่เกิดมาปิดตาจนตายไปเลยอ่ะมันเป็นไปได้ไงอ่ะเพราะนั้นลืมตานั่นแหละแล้วตาก็ตาก็มองเห็นตามปกติใจก็เหมือนกันก็เปิดประตูใจซะเออ ไม่ใช่ว่าปิดใจตลอดปิดกั้นไม่ให้อะไรเกิดในใจทั้งชีวิตเอา้าแล้วเกิดมาอย่างนี้มันมันเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่รับรู้อะไรอราเนาะเป็นอิฐดินทรายจะดีกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจก็ให้มันรู้อย่างที่มันรู้แหละมันหลบลีกไม่ได้หรอกน <Yeah. S 1> ทางหูทางอื่นก็เหมือนกันทางทวารอื่นๆก็ใช้หลักเดียวกันคือหลบหลีกไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ให้รู้ไปเ <Yeah. S 1> นี่ยก็เรียกว่าเดินอย่างคือเป็นอย่างธรรมชาติอืม yeah. ก็ลองไปนอกต่อไปเนี่ยได้ฟังอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยกล้าเผชิญกับอารมณ์ทุกอย่างเลยอะไรกระท บ, บทางไหนก็ยิ้มไปเลยนะแบบรู้แจ้งแบบยิ้มยิ้มไปเลยอะขำๆไปเลยว่าเอองั้นงงจะได้ไม่ทุกข์หรือว่าจากทุกข์มากก็เป็นทุกข์น้อยไป <c oughs> ก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยค่ะมันจริงๆงมันดีไม่ดีมันก็คือเป็นแบบนั้นแหละค่ะนะค ะ, นะคะ ก็เรียนเชิญ น, นะคะท่านใดต้องการขึ้นมาสนทนากันนะคะแล้วก็รวมถึงข้างบนค่ะเป็นลิงค์ YouTube นะคะเมื่อกี้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติดูแท้นะค ะ, อะลองลองไปดูได้นะคะถ้าเกิดว่าดูข้างแรกอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจก็ลองวนซ้ำดูรอบสองได้ค่ะซึ่งซึ่งในคลิปนี้ไม่ได้มีเสียงพูดอะไรนะคะเีแต่ว่าลองน้อมใจในขณะที่ดูนะคะแล้วก็หลังจากที่ฟังหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยพอเรารู้เนี่ย ตรงไหนเราก็ลองไปดูว่ารู้ให้กว้างๆมองเป็นเพื่อ ผ, ผู้รู้เนี่ยมองให้กว้างนะคะแล้วก็ลองดูคลิปอาจจะสองครั้งสาครั้งก็ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ เ, เกิดปัญญาขึ้นนะคะค่ ะ, คะก็เรียนเชิญ น, นะคะ ใครใมีโอกาสตอนนี้มีโอกาสให้ถามแล้วนะออถามได้ก็ก็ถามเลยอืมหลวงพ่อตอบได้ทุกเรื่องแหละถามทุกอย่างหลวงพ่อตอบได้ทุกอย่างแต่อาจจะไม่ตรงที่โยมถามเพราะมันเป็นมันเป็นเทคนิควิธีเพื่อที่จะให้เกิดการ อ, อรู้ตัวออกับปัจจุบันค่ะปัจจุบัน หรือว่าบางคนเปฏิบัติมามีสภาวะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองขึ้นมาได้นะคะเพราะบางคนอาจจะยังติดอยู่บางคนเนี่ยค่ะอยู่กับความว่างมาเป็นสิบปีเลยนะคะก็ยังอยู่กับตรงนั้นนะคะนะคะยังไม่ยังไม่เห็ น, นะค่ะว่าเอ๊ะจริงจริแล้วยังไงอย่างเงี้ยค่ะเออหลวงพ่อพูดถึงความว่างกันได้ที่คนไปติดกันเนาะค่ะ ส่วนมากก็นักทาสมาธินี่แหละทาสมาธิพอทาสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะคือมันไปยังไงเดี๋ยวพอนั่งสมาธิแล้วก็จิตก็สงบก็สงบมากเข้ามากเข้าวความคิดความนึกเหมือนกับว่ามันน้อยลงอะ่ะความคิดก็น้อยลงหายใจก็เบาลงนะเพราะว่ามันสงบไงสงบลางับแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่า เกือบจะไม่รับรู้อะไรละอ่าแต่ว่ายังรู้นแะแต่ว่าเหมือนกับว่าทางหูทางตาทางจมูกทางอะไรพวกนี้มันมันส ง, งบลํางับมันก็ว่างแล้วก็ความรู้สึกว่ามันเป็นสุขไงมันมีความสุขเพราะว่าไอ้ตอนที่ไม่ว่างแบบนี้มันวุ่นวายนะก็เลยเพราะความสุขพอความสุขเสร็จแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในความว่างเลยอะไรเข้าไปอยู่ในความว่างก็คือไม่รู้ตัวนั่นแหละพอไม่รู้ตัวปับ๊บ ตัวเราเนี่ยทั้งตัวเลยเนาะเข้าไปอยู่ในความว่างความว่างกลืนเราเข้าไปพอกลืนเข้าไปเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเราไม่มีแล้วเราหายหมดแล้วเพราะมันมันถูกความว่างมันมันครอบงำหมดแล้วทีเนี้ยหลวงพ่อก็ใจชี้ให้เห็นอย่างนี้ว่าความว่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ความว่างเนี่ยก็ไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงนะสมมุติร่บคนปฏิบัติเนี่ยไปพบความว่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องว่างอย่างนั้นแหละตลอดปีตลอดชาติตลอดการไปเลยแต่ความจริงเป็นไงสุดท้ายความว่างหายไปอ่าตรงนี้เลยเชื่อเห็นว่าความว่างมันก็เป็นสังขารนะอย่าไปหลงยินดีพอใจอย่าไปยึดถือเพียงแค่เออเป็นประสบการณ์ว่าได้พบอารมณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งอ่าหรือว่าหลายครั้งก็ตามแต่รู้แล้วก็ปล่อยวางเสีย แต่มีจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่หลุดพ้นจากความว่างก็คือว่าไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้กำลังนั่งทำสมาธิอยู่กำลังดูรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ไม่เห็ น, หนตัวเองพอไม่เห็นตัวเองก็เนี่ยเาเรียกว่าตัวเองมันก็ลืมตัวแหละพอลืมตัวเสร็จแล้วมันก็ความว่างมันกลืนเราไปแต่ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ย ความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวเรานะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ย e มันอยู่ในขันห้านี่คือตัวเราแต่พอเข้าว الله. ความว่างปั๊บเนี่ยมันไม่เห็นตัวเรามันไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์มันไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นต้องออกมาจากความว่างแล้วรู้สึกตัวว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมีกายมีจิตกายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์เพราะนั้นให้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแช่งที่กายเราไม่ใช่ว่าไปดูแต่ความว่าง ความว่างมันไม่มีทุกข์อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ว่างเออแต่ตัวที่มีทุกข์เนี่ยตัวเราจริงๆเลยตัวผู้ปฏิบัติธรรมมันแหละตัวที่เข้าไปทําสมาธิแล้วมันว่างหายตัวเนี้ยต่างหากที่มีทุกข์เพราะฉะนั้นจงรู้สึกตัวให้เห็นตัวเองว่าเออตัวเองเนี่ยมันคิดอะไรล่ะมันพูดอะไรล่ะขณะที่ปฏิบัตินะ่ะแต่ตอนที่เข้าไปอยู่ความว่างอมันไม่เห็นตัวเองหรอกอืมมันลืม เพราะนั้นจงตื่นมากลับมารู้ตัวใหม่แล้วก็พิจารณาในตัวว่าตัวนี้มันเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นว่าทุกข์นี้ยึดถือไม่ได้ปล่อยวางมันถ้ารู้แล้วนะรู้ทุกข์รู้ขันห้าอย่างแจ่มแจ้งว่ายึดถือไม่ได้นะพะถ้ายึดมันก็เป็นโทษเป็นภัยก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางไม่ยึดถือไม่ยึดถือ ทุกเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าถึงความว่างเห็นไมวันว่างไม่เหมือนกันนะไอ้ว่างนั้นน่ะเป็นว่างของอารมณ์เป็นว่างของเอ่อความรู้สึกแต่ว่างจริงๆคือว่างจากตัวตนว่างจากทุกขคือไม่เป็นทุกขทุกมีอยู่แต่ไม่เป็นทุกขทุกมีอยู่แต่ไม่มีใครยึดทุกก็หมายความว่าหลุดพ้นออกมาตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่าว่าง เพรานั้นนะทำความเข้าใจให้ดีนะไอ้ว่างที่เราเคยเข้าใจผิดนะอันนั้นนะมันเป็นแค่เป็นแค่สังขารเกิดดับแต่เราว่าเข้าไปอยู่พอเข้าไ ป, ไปอยู่เสร็จแล้วถ้าไปอยู่นานๆก็กลายเป็นว่าต่อไปก็ไม่กล้าออกออกมาเมื่อไหร่เป็นทุกๆุทีออกมาเมื่อไหร่ออรวุ่นวายทุกทีก็เลยไปแช่เป็นพรมลูกฟักอยู่นั่นนะแหละแล้วถ้าตายไปก็สุดท้ายก็พอหมดอายุไขก็เกิดมาก็เป็นทุกข์อีกแล้วอันนั้นนะจึงไม่ได้ถอนรากถอนโคน ฤาสีทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่เข้าฌานลึกๆพระพุทธเจ้าก็เดินตามแล้วเข้าฌานสุดอาจารย์สอนแบบไหน อ, อาจารย์เออเจ้าชายสิทธัตถะทำได้หมดเข้าถึงฌานแปดเข้าถึงสมาบัติสุดท้ทายพระพุทธเจ้าหกว่ามันของยังเป็นของเสื่อมเลยพอออกมาแล้วก็เหมือนเดิมเนาะท่านก็เห็นว่าอันนั้นก็ยังไม่ใช่ทางนะแต่เป็นแค่เป็นแค่อาจจะไปพักผ่อนเนาะพักผ่อนทางทา ง, ทางจิตวิ ญ, ญญาณเพื่อเออให้มันสงบ ไปหลบสักพักหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วก็ออกมานออกมายัางไงออกมาก็รู้ตัวว่าตัวเนี่ยที่เป็นขันธ์หน้าเนี่ยยึดถือไม่ได้ออกมารู้ทุกนี่เออไม่ใช่หลบทุกหนีทุกออกมารู้ทุกเมื่อรู้ทุกแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยรู้แจ้งในทุกแล้วก็ไม่หลงติดไม่หลงยึดวางหมดพอวางหมดเนะีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความว่างว่างจากการยึดถือว่างจากความเป็นตัวตนอ่ะอันนี้ว่างเพราะนั้นมันไม่เหมือนกันนะ โดยธรรมชาติเนี่ยจริงๆว่างกับวุ่นเนี่ยมันมันก็เหมือนกันนะคะมันคู่กันนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยว่างที่เราปฏิบัติมาเนี่ยนะคะมันนั่งสมาธิเราว่างตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นการพักจิตนะคะหรือทีบางคนบอกว่าเอ้ฉันว่างแล้วฉันปฏิบัติแล้ฉันว่าแต่จริงๆมันคือว่างนั้นก็คือการหนีโลกนะคะถ้าว่างแบบที่หลวงพ่อเอ๋ยเนี่ยมันคือการกลับมาอยู่บนโลกนะคะ กลับมาอยู่บนโลกโดยไม่ต้องหนีมั น, นะคะ่ะและเรารเผชิญกับมันด้วยความว่างนี่แหละค่ะนะค ะ, นะคะถึงแม้เราไม่ต้องเข้าสมาธิให้เพื่อที่จะไป เ, เข้าถึงความว่างตรงนั้นนะคะอันนั้นคือว่างที่มันยังวุ่นอยู่เพราะมันมีการดับอยู่นะคะยังไม่ได้ว่างแบบแท้จริงนะคะ ก, ก็ต้องพยายามสังเกตดูว่าเอเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราติดตรงนั้นหรือเปล่านะคะ ก็ต้องมาแก้อีกทีหนึง่งนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสติค่ะเป็นราชการหลวงพ่อครับสวัสดีคุณหน่ย่ยหนุ่ยครับอ่อมีมีเรื่องมาแชร์แม่หลวงพ่อจะฉัดเพลินให้อผมเกรงใจเอาใไปได้ยเยอะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกเองโอเคผมมีเรื่องจะแชร์เรื่องผมไปอ่านเจอพอดีครับเป็นน่าสนใจเกี่ยวกับความว่างนะครับเออเขาบอกว่า ผมหาชื่อคนเขียนไม่ได้ผมพยายามหาชื่ออยู่ก็ไม่ได้แต่ผมอ่านมาจากคกลุมชั้นลึกออนไลน์นะครับเขาบอกว่าสิบแปดประการแห่งการที่ส่งของความว่างนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่เขียนออกเป็นแนวแบบสมัยใหม่นิดนึงนะครับก็คือข้อหึงมันมีอยู่ก่อนแล้วนะว่าความว่างหรือพว่าทำมีอยู่ก่อนแล้วเอตถาคตนะเป็นเพียงผู้ควบคุมเท่านั้นแล้วก็ฉะนั้นนะครับก่อนที่ความทุกจะเข้าเข้ากำลเราเนี่ย จิตเดิมแท้ของเราเป็นพระสออยู่แล้วก็คือความสว่างสวยอยู่แล้วพูดง่ายๆคือเราว่างอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปรับอะไรมาเองสองก็คือทุกคนทําจิตว่างได้จริงครับิทั้งทั้งปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวนี้เลยครับเพียงแค่กลับไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะครับยังผ่อนคลายข้อสามคือวางพุท ธ, ธะว่างคือพุท ธ, ธะนะครับหรือว่าตื่นรู้พุท ธ, ธะคือว่างก็คืออยู่กับการบริกรรมวุโทโธอย่างต่อเนื่องก็ได้แล้วจิตจะปัดความคิดที่ตกให้ตกไปนะครับ ข้อสี่นะครับก็คือทําให้รู้ว่ามีนิพพานอยู่ในสังสารวัฏเนะครับหาสุขให้ได้จากทุก ป, ปัญหาอยู่ที่ไหนผลทางการแก้ไขก็อยู่ที่นั่นนะครับข้อห้าคือเมื่อฝึกเจเลสติไปเรื่อยๆจิตจะพบความว่างที่เป็นสัมมาธิฏฐิคือความว่างจากเกเรตันหาเป็นช่วงๆครับกระทั่งถ้าเราฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้นเมื่อจิตเดินอยู่ในอริยะมรรคมีองค์แปด ทำให้มีสติต่อเรื่องตลอดเวลานะครับผู้ฝึกมักแข่งแข่งแรงแข่งขันก็เหมือนนักมวยที่ตั้งการไว้เสมอเมื่อกาดไม่ตกสติไม่มีช่องไฟกิเลสตัณหาก็ไม่อาจก้ามกลายได้นะข้อหก็คือจิตว่างไม่มีลัที่หรือนิการเป็นผลตั้งแต่ต้นทางท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายนะครับผมว่าจะอ่านไม่ครบอาจจะแบบอ่านเป็นผ่านรุ่นลดลดรวงหรือ ล, ล, ลดเร็วนะครับข้อเจ็ดใช้ความว่างเพื่อผ่อนคลายนะครับหรือว่าบรรเทาความเส็บปวดได้ เขาบอกว่าถ้ามอฟรีใช้บรรเทาความเจ็บปวดในโรงพยาบาลนะครับความว่างที่รับความเจ็บปวดก็เทียบกับผู้ฝึกจิตมาดีแล้วนะครับข้อ8ดคือสกัดระงับยับยั้งความโลภโกรธหลงได้ทุกกรณีนะครับข้อเก้าเมื่อพบความว่างแล้วก็ใช้ความว่างช่วยปิดสวิตช์สมองนอนหลับเร็วขึ้นและลึกยิ่งขึ้นนะครับข้อสิบดับความกลัวความสะดุ้งใจลงได้ทุกชนิดผู้เรียนเขาถึงความว่าง ตางเข้าใจเรื่องอิทัปพัจจยะตาต้าองอาภิดขอภัยนะครับก็เป็นอย่างดีแล้วจึงปสัสจา ค, ความตัวตายเพราะม่ได้มั่นหมายว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเขาเราแต่อย่างใดข้อสิบเอ็ดนะครับลดกําลังสภาวะซึมเศรา้าข้อสิบสอเป็นเครื่องอยู่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงสรรเสริญนะครับข้อสิบสาขจัดความเหงาหรือความอ้างว้างเพราะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่มีคําว่าโดดเดี่ยวนะครับ ข้อสิบสี่รวมจิตเป็นกำลังคือสามารถอุทิศส่วนกุส่วนผลบุญได้แรงจริงๆนะครับจิตว่างคือจิตที่รวมลงกันอย่างเข้มข้นเหมือนแว่นขยายที่รวมแสงแล้วเผาย่าให้ลุกไหม้ได้นะครับข้อสิบห้าอุบายสู่นิพพานชิมลองอันนี้น่าสนใจนะคำนี้เมื่อผู้ใดๆได้สัมผัสนิพพานชิมลองแล้วก็จะรู้เห็นเป็นปัจตจังเวทิตะโพนะครับ ทำให้ผู้นั้นสามารถรักษาจิตเป็นปกติไม่แกว่งง่ายคือไม่ยินดีนร้ายหรือไม่ฟูไม่แฟบมีแต่ความสุขนะครับข้อ16เป็นเครื่องดับอตัมโมโยาิขออภัยครับคือผูกลืนกินเวลาในขณะที่สัตว์โลกผู้ชนิดกำลังถูกเวลากัดกึ่งกินข้อ17จัดการความทุกข์ได้โดยแย่คายครับเปรตประดุดว่ายูโดทางวิญญาณคือการใช้แรงที่น้อยก็คือหลักการยูโดนะครับ คือการใช้แรงที่น้อยทุ่มสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองให้กระเด็นไปไกลแรงที่น้อยนี่ก็คือความว่างนะครับซึ่งเป็นปัญญาแหลมคมและสิ่งที่ใหญ่นั้นคือกิเลสตัญหาของเรานั่นเองก็เหมือนกับว่าเราใช้ความว่างในการทุ่มกิเลสออกไปนะครับข้อ18ดับกิเลสตัณหาได้ก่อนตายจริงตามสรุปโบราณในส่วนโมกนะครับกล่าวว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายครับก็ก็ประมาณนี้ครับเลยมาแชร์กันด้ใช่ไหครับ อ๋อขอบะคุณค่ะสาธุค่ะโอมมีมีข้อดีเยอะมากขนาดนี้เลยนะคะทำทำบ้าง